คำอธิบายเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จกันแรกนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่ฟังเข้าใจง่ายเพราะท่านพูดเปรียบเทียบไว้อย่างน่าฟังมากทําให้เรามองเห็นภาพความจริงทงั้งๆที่เรื่องที่ท่านอธิบายนี้เป็นเรื่องลี้ลับมากคนส่วนมากไม่เข้าใจจึงไม่ค่อยจะเชื่อว่า เรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าผู้ฟังได้มีโอกาสฟังจากเทปที่บันทึกเอาไว้ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านจะต้องรู้สึกเลื่อมใสในลีลาการใช้คำพูดและจังหวะของท่านแต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อความบางตอนที่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเช่นข้อความตอนแรกที่ท่านได้บอกว่าข้าพเจ้าเคยได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งว่าความจริงท่านเคยได้พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยวิธีการเข้าทรงเหมือนกันแต่ครั้งนั้นไม่ได้บันทึกลงในเทปและก็ไม่ได้นัดหมายให้คนอื่นๆเข้ามาร่วมฟังด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าเทศการ น, นี้เป็นกันแรกปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าผีสางนางไม้เทวดาก็มีชีวิตอย่างมนุษย์ปุถุชนนอกเส จ, จากว่าไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝง เฉพาะตอนนี้ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามหลวงพ่อสมเด็จว่าที่ท่านพูดเช่นนั้นหมายความอย่างไรท่านได้อธิบายให้ฟังว่าชีวิตของพวกโอปปาติกะความจริงก็มีร่างกายแต่เป็นร่างกายที่เกิดจากใจเหมือนกับชีวิตในความฝันร่างกายอย่างนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจโดยตรงไม่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นกายเนื้อ คนที่นอนหลับแล้วฝันจะฝันดีหรือฝันร้ายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องตื่นหรือเมื่อมีอะไรมารบกวนเช่นถูกปลุกหรือมีเสียงดังก็ต้องตื่นซึ่งทำให้ชีวิตในความฝันต้องยุติลงส่วนชีวิตของพวกโอปปาติกะเป็นชีวิตที่สวยวิบากของการรมลุ่นล้วนโอกาสที่ร่างกายของพวกโอปปาติกะจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับกายเนื้อไม่มี คือแปลว่าถ้าคนไหนฝันร้ายเขาก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดไปจนกว่าวิบากจะสิ้นแต่ถ้าคนไหนฝันดีเขาก็จะอยู่ในความสุขนั้นตลอดไปจนกว่าวิบากนั้นจะสิ้นเหมือนกันขอให้นึกเปรียบเทียบร่างกายในความฝันกับกายเนื้อสมมุติว่า คนที่นอนหลับแล้วฝันนั้นร่างกายได้ตายไปในขณะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรจะไปปลุกหรือไปเตือนให้คนนั้นตื่นจากฝันแต่ถ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อร่างกายตื่นชีวิตในความฝันก็สลายตัวไปที่ท่านบอกว่าชีวิตของโอปปาติกะไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝงหมายความว่าไม่มีร่างกายแบบกายเนื้อ ซึ่งจะคอยถ่วงหรือคอยดึงให้ชีวิตในความฝันยุติลงได้ง่ายและอีกข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าการจะทำความดีนั้นเราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นมนุษย์เท่านั้นข้อนี้ท่านอธิบายให้ฟังว่าโอปปาติกะทั้งหลายโดยหลักส่วนใหญ่ก็เหมือนกับชีวิตต้นไม้ ซึ่งเมื่อพืชพันุเดิมเป็นอย่างไรมันก็เกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตไปตามพันพุ์พืชอันนั้นสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นอย่างอื่นไปได้มีแต่จะช่วยส่งเสริมให้เชื้อเดิมของมันจเจริญเติบโตขึ้นมาเท่านั้นและมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขของมันคนเราเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะ ในขณะที่จะปฏิสนธิวิบากของกรรมอันไหนให้ผลวิบากอันนั้นก็จะเป็นพื้นฐานของชีวิตในโลกของโอปปาติกะตลอดไปถ้าหากจะมีการทําความดีและมีผลก็ต่อเมื่อการกระทําความดีนั้นๆมีส่วนสัมพันธ์กับวิบากของความดีที่มีมาตั้งแต่ปฏิสนธิส่วนความดีอันใดซึ่งยังไม่ได้สัมพันธ์กันเขาจะนึกไม่ออก ถึงแม้จะมีคนมาแนะนำก็ยากที่จะเข้าใจขอให้นึกถึงชีวิตในความฝันตราบใดที่คนคนนั้นยังไม่ตื่นเราจะไปเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนของเขาเองและถ้าหากเขาจะเปลี่ยนก็เพราะมันมีนกลไกอยู่ในความคิดของเขาจึงทำให้เปลี่ยนได้ เช่นอย่างบางคนฝันว่ากําลังจะฆ่าสัตว์แต่เพราะเหตุที่เคยถือศีลมาจึงทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าอันนี้ทำไม่ได้เป็นบาปเป็นการผิดศีลแต่ถ้าหากคนนั้นไม่เคยถือศีลด้วยใจจริงสักแต่ว่าทำตามคนอื่นความรู้สึกแท้ๆในการถือศีลไม่มีเขาก็จะนึกไม่ได้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปอย่างนี้เป็นต้น อีกประการหนึ่งท่านอธิบายให้ฟังว่าชีวิตของพวกโอปปาติกะที่ว่าทำความดีไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกโอปปาติกะทั้งหลายไม่รู้จักทำความดีกันเส้นเลยตรงกันข้ามคนที่มีพื้นมาดีก็จะทำความดีอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่มีพื้นมาไม่ดีก็จะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงแก้ไขยาก แต่ไม่ว่าจะทำความดีหรือทำความชั่วผลที่ออกมามันจะเหมือนกับคนบางคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์เป็นง่อยเป็นใบหรือตาบอดมาตั้งแต่เกิดซึ่งอันนี้ก็เนื่องมาจากวิบาสของกรรมเก่าให้ผลระหว่างรากฐานของชีวิตมาตั้งแต่เกิดทีเดียวในกรณีอย่างนี้คนที่พิการเหล่านี้แม้จะทำความดีสักเพียงไรในชีวิตที่เกิดมา เขาก็จะแก้วิบากของกรรมเก่าให้หายจากการเป็นง่อยเป็นใบหรือตาบอดไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเสวยผลของวิบากอันนั้นไปตลอดชีวิตแต่ในเมื่อเขาทำความดีอยู่เสมอวิบากของความดีก็จะเกิดขึ้นในสันดานและวิบากเหล่านี้ก็จะให้ผลในชาติต่อไปชีวิตของพวกอปปปาติกาทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ซึ่งผิดกับมนุษย์ ถึงแม้ว่าวิบากเดิมจะไม่ดีเราก็มีทางที่จะแก้ไขได้ง่ายหรือคนที่มีวิบากมาดีเมื่อได้คบเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนวิบากเดิมกลายเป็นคนที่ทำความชั่วได้ง่ายแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าไม่ว่าคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทุกคนจะต้องทำไปตามวิบากที่มีอยู่ ถวิบากอันไหนไม่มีเลยสิ่งแวดล้อมย่อมไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้การมีชีวิตเป็นโอปปาติกะกับการมีชีวิตเป็นมนุษย์มีประเด็นที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อสรุปแล้วก็คือชีวิตของพวกโอปปาติกะเป็นชีวิตที่เหมือนอยู่ในความฝัน และเป็นความฝันที่ไม่มีทางจะตื่นจนกว่าจะสิ้นกรรมส่วนชีวิตของมนุษย์โอกาสที่จะตื่นหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมมีมากกว่าชีวิตของพวกโอปปาติกะเพราะฉะนั้นโอกาสของมนุษย์ที่จะสร้างความดีให้เพิ่มพูนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีจึงดีกว่าพวกโอปปาติกะมากมายเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึงต้องมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์และทุกๆคนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ก็จะต้องมาสร้างความดีในโลกมนุษย์ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ดีคนที่ไปเกิดเป็นโอปปปาติกะและมีโอกาสที่จะสร้างความดีก็มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่เมื่ อ, อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นบุคคลที่มีความม ตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างมากจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นเสมอทนไม่ได้เมื่อได้เห็นคนอื่นทุกยากลําบากและตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็ได้ขวนขวายทําประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เสมอเป็นบุคคลที่มีนิสัยเยี่ยงพระโพธิสัตว์และถึงแม้ตัวเองจะมีความเป็นอยู่สุขสบายเพียงไรก็ไม่ติดอยู่ในความสุขและทนได้ต่อความทุกยากลําบากต่างๆ ในอันที่จะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปเป็นโอปปาติกะแม้จะมีความสุขอย่างไรก็จะไม่หลงเพลิดเพลินอยู่ในความสุขตรงกันข้ามส่วนมากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์เท่าที่สามารถจะทำได้โอปปาติกะประเภทนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลย และอีกประการหนึ่งคนที่มีนิสัยชอบสแสวงหาความรู้หรือเพิ่มพูนความสามารถของตนโอปปาติกะประเภทนี้ก็มีทางที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดถึงการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาหรือปฏิบัติในด้านกิจการต่างๆอย่างที่ตนเองเคยกระทำเมื่อสมัยเป็นมนุษย์พวกนี้จะพบว่าตอนที่อยู่เป็นมนุษย์มีความสามารถไม่เท่าไรแต่เมื่อมาเป็นโอปปาติกะแล้ว กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงกว่าเดิมอีกมากแต่ทั้งหมดที่ว่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อตอนเองมีวิบากในทางนั้นมาอย่างเพียงพอเหมือนกับคนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าความรู้เบื้องต้นไม่พอก็ไม่อาจจะเรียนเพิ่มเติมได้และอีกอย่างหนึ่งทุกคนย่อมมีขีดจำกัดในทางสติปัญญาและภูมิธรรมแต่ละชาติที่เกิด เหมือนอย่างต้นไม้เมื่อจะเริญเติบโตเต็มที่ตามขีดขั้นของมันแล้วไม่ว่าจะบำรุงอย่างไรมันก็ไม่ดีไปกว่าเดิมความรู้ความสามารถของคนเราก็ดีภูมิธรรมก็ดีแต่ละคนย่อมมีขีดจำกัดเป็นของตัวเองและขีดจำกัดที่ว่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิใหม่ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องจุดติและปฏิสนธิใหม่วางรากฐานกันใหม่ แต่ส่วนมากถึงแม้จะมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิแล้วก็ตามขีดจำกัดของความรู้ความสามารถและภูมิธรรมก็ยังเหมือนชาติก่อ น, อ, นอันนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดในจำพวกสัตว์เดรัจฉานและในกลุ่มของคนประเภทจิตใจต่ำไม่เข้าใจเรื่องชีวิตใช้ชีวิตไปตามวิบากเดิมมุ่งแต่จะสแสวงหาความสุขความเจริญในด้านวัตถุหรือพูดอีกในหนึ่งพวกที่มีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งโดยไม่ทราบว่าตัวเองเกิดมาทาไม สักแต่ว่ามีความจําเป็นหรือมีหน้าที่การงานอะไรก็ทําไปเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันเท่านั้นอันหนึ่งในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จนี้ได้กล่าวถึงว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้กำลังผลุกโปล จะมองเห็นแสงสว่างข้อนี้ท่านหมายถึงคนทั้งหมดที่เข้ามาร่วมประชุมกันในคืนนั้นซึ่งมีอยู่ด้วยกันประมาณ20ิคนบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ได้เคยมาฟังการบรรยายของข้าพเจ้าเป็นประจำเป็นเวลาหลายปีพร้อมทั้งได้ฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาด้วยทุกคนที่นั่งอยู่ในขณะนั้นไม่มีใครสงสัยเลยว่าคนเราตายแล้วจะไม่เกิดบุคคลเหล่านี้ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะดีเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจสมุปบาทและทุกคนเชื่อสนิทว่าผู้ที่มาเข้าส่งนี้เป็นหลวงพ่อสมเด็จจริงๆซึ่งบุคคลเหล่านี้แม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อและความเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีอยู่หลายคนในกลุ่มนี้ที่มีความทราบซึ้งในคาสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเดิม และการปฏิบัติก็ดีกว่าเดิมด้วยเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จทุกคำพูดมีสาระที่จะต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนก็ถ้าหากผู้ใดเข้าใจจริงๆก็สามารถที่จะอ่านหรือฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยไม่เบื่อเทศกันแรกนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องชีวิตของโอปปาติกะให้เข้าใจได้ง่ายมาก เรียกได้ว่าเป็นการเทศเปิดโลกนรกและสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้เกี่ยวข้องอยู่กับหลวงพ่อสมเด็จข้าพเจ้าไม่เคยเห็นปาฏิหาริย์ใดๆอย่างที่คนอื่นบอกเล่าให้ฟังแม้กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็ถือว่าเทศนาการ น, นี้เป็นปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งและมีค่ายิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆ เพราะเป็นการให้แสงสว่างที่จะทําให้คนที่ได้รับพ้นจากความทุกได้จริงๆเธอเคยจําไหมเธอเมื่อละฟังประจำทุกครั้งคืนแต่ฟังดีก็สมวังถ้าผิดหวังก็ทอรมา ภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายและต่างกันยางไรรู้สึกบางไมว่าคล้ายมีเธออีกคนร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคน อาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนแตความจริงมันคือพ้นถ้ า, จาใจเธอที่แท้จริงโลกในความพันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหร้รายสอนเอาไว้คง แค่เพียงเธอรู้